นาโมตัสสะภะคะวะโอาาตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสนั่งกรรมฐานภาวนาหรือว่านั่งยิปัชนานั่งสมาธิ นั่งสมาธิก ร, รมฐานนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็คือให้พากนรนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตา คือการฟังธรรมการนั่งสมาธินี้ไม่เกี่ยวกับลู ก, กตาเกี่ยวกับหูคือเสียงนั้นทายทอดไปทางเข้าทางหูเมื่อเข้าไปหูแล้วจิตดวงจิตผู้รู้มันคอยฟังอยู่ที่หูนั้น แต่คำว่าจิตใจนี้เป็นธาตุนามธรรมในขันธ์าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าลูกหมายถึงตัวขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนามหมายถึงจิตมีเวทนาเวยอารมณ์ สัญญาจําหมายสังขารคิดนึกปรุงแต่งเมื่อคิดนึกอะไรแล้วก็มีความรู้สึกไปตามอาการนั้นอาการของจิตนั้นมีอยู่สี่อย่างเวทนาสัญญาสังขารยิญญานมาอาศัยอยู่ในรูปประคันคือตัวนี้ โลกประหันี้ธาตุทั้งสี่ฟาทวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟความร้อนความโบดอุุนวาโยธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี้ประชุมเป็นก้อนเป็นหน่วยแล้วดวงจิตเวรงานจิตผู้รู้อันนี้ ก่อนที่จะมายึดเอารูปร่างกายอันนี้นั้นถ้าเป็นคนก็ตายจากภาวะเป็นคนแล้วแต่ชาติก่อนโน้นจึงเข้ามายึดถือเอาล่างมนุษย์ที่คนเราได้มาอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสัตว์ก็ตายจากสัตว์แล้ว จึงได้มาอาศัยเอาซึ่งรูปร่างกายอันนี้อันการตายมันเคยตายมานับไม่ถ้วนแล้วแต่มันก็ไม่เค็ดไม่หลักเพราะเจ้าอาวิชชาจิตไม่รู้เป็นจิตหลง จะเกิดกี่พบกี่ชาติจนเรียกว่าอนเอกนกชาติมันก็จำไม่ได้เพราะมันหลงลืมไม่ได้ภาวนาไม่ได้พระพุทธทานศีลภาวนาให้พร้อมมลูลมันไม่รู้สึกล่ะมันมัวเมาเมื่อพระพุท ธ, ธเจ้าของเรา ตั้งใจบำเพ็ญบรารมีมาสีอสงไขแสนมาหากับจนได้มาตรัสลู้ในชาติปั จ, จุบันใต้ลมไม้โพพระองค์ละลึกคืนไปข้างหลังตั้งแต่ชาติัจจุบันนี้คืนไปข้างหลังว่าพระองค์ได้มาเกิดมาตายเป็นอะไรต่อมิอะไร มากมายจนนับไม่ท่วน จ, น, น, น, นจะนับเป็นกลับเป็นกัรจะนับเป็นอะไรก่อนนับไม่ได้มากมายแต่ก็มายุติในปัจจุบันทาตนี้ไม่ต่ออีกแต่คนเราธรรมดานั้นยังไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้ดี ยังไม่พ้นทุกข์นั้นชาตต่อไปข้างหน้าก่อนนับไม่ถ้วนทีกเราต้องทำชาติข้างหน้าให้จบลงไปด้วยการนั่งสมาธิภาวานาเดินจงกรมไม่ต้องเป็นห่วงหน้าห่วงหลังยึ่ตกวิจารรวมกํหลังตั้งมั่นลงไปแม่เราท่านทั้งหลายทุกคน การเกิดการตายมาในโลกนี้ก่อนนับไม่ถ้วนแล้วในอดีตถ้าจะนับจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่นาลิานมานี้ก็สองพันห้าร้อยยี่สิบหกพันชาแล้วสองพันปีสองพันปีในถ้าจะคิดเป็น เรามาเกิดมาตายแล้วต็มากอยู่ยังไปพ้นทุกข์ไปได้แต่พระพุธธทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในข้างพุทธกาจาท่านพ้นทุกข์ไปแล้วแต่พวกเราทั้งหลายยังท่องเที่ยวอยู่ยังหลงอยู่ยังสาคัญว่าในโลกนี้ยังมีความสุขอยู่ มันจะเอาความสุขมาเลยแต่ว่ามันไม่มีความสุขในโลกนี้ในรูปนามตัวตนคนเรานั้นมันมีแต่ความทุกข์ความทุกข์นั่นพอจะได้แต่ความสุขจริงๆนันมันไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสว่าคือมันทุกข์มันมากกว่าสุขสุขที่คนเราสมมุติว่าเป็นสุข มันน้อยนิดเดียวแต่ทุกขนะ์นั้นมันเต็มตัวเต็มโลกเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันก็เรื่องทุกข์ทางนั้นเกิดเป็นทุกข์เจ็เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์กองทุกขนะ์นั้นมันเต็มตัวอยู่ทางนั้น นอกจากทุกที่เราแก้ได้บรนเทาได้ด้วยตนเองอันนี้ส่วนหนึ่งแก้ไขได้ป่วยเล็กๆ น, น้อยๆก็เดี๋ยวยาพยาบาลพ่นภัยไปถ้ามันมากกว่านี้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลการที่ไปนอนโรงพยาบาลนั้นก็ มันไม่แน่ตลอดไปเราอย่าเข้าใจว่าเข้าไปแล้วหายเข้าไปแล้วตายนั้นมีเยอะเหมือนกันถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโรคที่เกิดในร่างกายมนุษย์คนเรานั้นโรคบางอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว กินยาก็หายไม่กินยาก็หายอ น, นั่นแดดหนึ่งแต่มันไม่ใช่หายแท้มันเพียงบรรเทาเลื่อนที่ไปหน่อยภายในร้อยจีก็กลับมาเจ็บมาไขา้มาตายอีกเพราะว่าร่างกายสังขาร น, นี่มันเต็มไปด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ใชุ่พ แค่จิตหลงของคนเรามันเข้าใจว่าเป็นสุขต่างหากโลกบางอย่างกินยาจึงหายบางอย่างก็ไปผ่าตัดหายก็มีผาตัดแล้วตายก็มีบางคนบางอง ค้นคว้าพิจารณาไปจนได้เนี่ยในดีวันนี้ละได้แล้วพยาติต่อไปนี่ข้าจะหายละมันจะหายอย่างไรคนแก่ชลาเขานี่ในดีออกแล้วกันยังตายอยู่นี่แหละคือว่าพยาธิโลคหาที่มันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนั้น เป็นเรื่องของลูก ป, ประคันส่วนในทางลูก ป, ประคันนี่พระพุทธเจ้าของเราท่านให้รงกรรมฐานว่าถ้าถึงข้าวแล้วมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราสอนเน้นหนักไปในทางจิตใจ คือให้ใจภาวนาให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก้ไขจิตที่เต็มไปด้วยลาะตันหาให้เบาบางหมดขึ้นไปพระองค์แก้ทางในจิตตพราะต้นต่อต้นเหตุมันไปจากนี้ที่มาเกิดเป็นลูกล่างได้เจ็บไข้ได้ป่วยมันมาจากจิตหลง มาเยึดมาถือเอาธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นตัวตนของเราเ <c oughs> มื่อมาเยึดเอาธาตุเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราของเรามันธาตุเหล่านี้มันของแตกของตายที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ก็คือว่าชั่วข่าวท่านจึงเสียวว่าเหมือนเราไปยืมของคนอื่นมาทําการทํางานนิดหน่อย สิงใดเราไม่มีไปยืมเขามาอีกไม่นานเราทำงานแล้วเราก็ส่งเขาส่งเจ้าของเดิมเขารูปประขันตัวตนคนเราที่ได้มานี่ก็ยืมโลกมนุษย์เขาถ่ายเทกันมาโดยลำดับลำาดับ ตัวเราได้มาจากดิดามารดาผู้บังเกิดเก่าบิดามารดาผู้บังเกิดเก่าก็ได้ต่อต่อกันมาอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ของมั่นคงถาวรจำเป็นเราจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเราได้กลายวาจาจิตอันนี้มาแล้ว ข้อแรกก็คือว่าเอามาฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนั่นแหละรู้เข้าใจว่าทางออกจากโลกจากวัฏะสงสารนี้ไม่ใช่ที่อื่นต้องออกจากจิตใจนี้จึงสอนให้ภาวนา บริกรรมทำใจให้สงบตั้งมัน่นจะได้แก้ภายในจิตใจแน่ให้หลดให้พน้นให้ออกไม่ให้หลงยึดอยู่ถืออยู่ในโลกในนามในกายในจิตในสมมุติโลกอันนี้เมื่อแก้ได้แก้หมดแล้วจิตอันนี้ก็ ไม่มาลุ่มหลงใ่ตามลูกเสียงสิ่นลดโผทะพะธรรมารมณ์เพื่อว่าความสุขสะดวกสบายอันใดที่จิตใจเราหลงอยู่มันเลิกลาออกไปได้หมดใจมันไม่เกี่ยวก่อกังวลเห่อจิตใจมันหลุดพ้นนิทิายายนเบื่อหน่ายคลายออกหมดทุกอย่าง ที่นีมันก็ไม่ติดไม่ข้อไม่ติดใจในอารมณ์ใดๆเพราะอะไรก็ตามเป็นลกูกท่านก็มองเห็นว่าลูกนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีชลาพยาธิมีทุกข์ไม่ใช่ลูกของเรา แม้มันจะมีอยู่ที่ตัวเราเป็นขาสองแขนสองตัวเราไปมาทางไหนก็เอาตัวนี้ไปก็ไม่ใช่ของเรายืมเขามาใช้ใช้ดีก็มีประโยชน์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาก็เกิดประโยชน์ถ้าไปทำบาปทำอกุศลต่างๆก็ได้โทษ ให้ติดข้องอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเจียงไห้เอาดวงจิตดวงใจผู้ได้ยินได้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละมาภาวนาบริกรรมทรใจให้สงบตั้งมัน่นมาให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามกระแสของโลก โลกนั้นมันไม่ไปถึงไหนมันก็เกิดแกเจ็บไข้าตายเท่านั้นเองเมือความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่าคนชาติใดภาษาใดก็เท่าเท่ากันไม่มีใครจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่เชื่อก็ให้ดูอย่างนี้ เล่าไปบ้านใดให้ถามดูว่าปาช้าบ้านนี้มีไหมที่เผาศพมีไหมเขาจะตอบว่ามีมีคนตายไหมเขาก็จะตอบว่ามีจะเป็นฝรั่งมังข่าเป็นคนไทยคนอะไรก็ตามมันก็ถามเข้าไปเพือมันก็ตายเหมือนกันตายเหมือนกันเกิดมาใหม่เหมือนกันเข้าเท่ากัน มันวกวกวนเยียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเรามาที่แจงสแสดงให้บำเพ็ญภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นจนไม่หวั่นไหวจนจิตใจของผู้นั้นกำหนดทิจารณาเห็นแจ้งด้วยตนเองว่า การที่คนเรามาเกิดมาแกมาเจ็บมาไข้มาตายอยู่นี่เพราะจิตมันหลงจิตเอวิชาจิต ไ, ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องเจ็บอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาแล้วมันต้องแกอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาแล้วมันจะต้องตายอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันหมด เมื่อมันรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปแตะต้องไม่ไปยึดเอาถือเอาเมื่อ ว, ว่าภาวนาอยู่ในใจทำละจิตใจดวงนี้ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จรูลว่าโลกนามกายใจตัวตนบุคคลเหล่านี้ มันเกิดมันแจ่มันเจ็บมันไข้มันตายวุ่นวายอยู่ตามภาษาของจิตไม่รู้นั่นเองเมื่อจิตของปู่ใดรู้เข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตแดงนี่มันก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเนือยังใดมันก็รู้เท่าทัน ได้อย่างไรมันก็รู้เท่าทันเสียไปมันก็รู้เท่าทันได้ก็เสียท่านไม่ไปทุกข์ไปร้อนท่านภาวนาละอีเลท่านล้างจิตใจของท่านให้สะอาดขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวสะอาดใหม่อย่างนั้นแหละใจที่ขาวสะอาด เป็นใจที่ไม่มีความโกรธให้ใครไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครแม่คนอื่นเขาจะอิจฉาพยาบาทดุดาว่าไายให้อย่างไรก็ตามดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราถ้าเราดูผิวเผินก็ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีแต่คนยกย่องสรรเสริญ มันก็มีพวกหนึ่งพวกสาวกของพระองค์ก็เทิดทูลกราบไหว้บูชาพวกคิดหาพยาบาทมันก็มีบางพวกก็พระพุท ธ, ธเจ้าไปบินทบาทกดจ้างคนมาดา่าไปไหนก็ดา่าเก็บมาดา่าหมดเลยในโลกที่เขาด่ากัน พระองค์ก็เฉยไม่หวั่นไหวบางขาวไปบินตาบาทเขาเอาไม้เอาน้นาทับทางม่ให้ดักเดินพระองค์ก็เฉยได้ไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับเขานั่นละพระพุทธเจ้านะคนทำชั่วเสียหายให้ก็ไม่เดียดเดียนตอบใครอุเบกขาเฉยเกีย อย่างพระเทวทัตทั้ทงๆที่พระองค์บวชให้ก็ไม่ฟังคำคอยดุดาว่าไลายป้ายสีให้พระพุท ธ, ธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นยังไม่พอยังจะทำลายพระพุท ธ, ธเจ้าเอาก้อนหินใหญ่ไปเตรียมไว้ที่เขาคิดตกูด ไปเจมไว้เสร็จบนทางพระองค์ลงจากภูเขามาบนที่กันซันนนั้นพอพระองค์ถินหลังให้ลงไปก็เทวทัตมันหมอบอยู่คอยกลิ่งก้อนหินก้อนนั้นลงทับพระพุทธ อ, องค์ทับพระองค์ก็ไม่สันหวันไหวไม่ลีกเดินธรรมดาก้อนหินก็กลิ่งลงไป พอไปใกล้จะถึงพระองค์มันก่อเปลี่ยนทางไปอีกท้งหนึ่งพระพุทธเจ้านั่นคือว่าเป็นผู้ไม่สะทกสะท้านย่านลัวต่อภัยอันตรายจนก้อนหินนี้ไปเองลนะพระเทวทัต ก, ก็เสียอกเสียใจจะเอาให้พระพุทธเจ้าตายวันนี้ก็ยังไม่ตายใจเมื่อโลกก็ไหม้หัวใจพระเทวทัตเถิด ตลอดเวลาอันนี้ละคือว่าพระองค์นั้นมีจิตใจภาวนาอย่างแท้จริงเขาอิจฉาพยาบาทเขาจะเอาให้พระองค์ตายพระองค์ก็ไม่ตอบโต้ไม่หลบหลีกเอาจนก้อนหินหลีกไปเอง นั้นละเป็นภาวนาเป็นวางขันธ์ทางห้าละความหวาดความจะดุง้งขนพองสยองเก้าได้หมดคือว่าที่เลขทางนั้นแหละอยากได้อยากซื้อยากเป็นอยากมีอะไร่อ น, นี้อะไรพระองค์เลิกละได้หมดถ้าอยู่ทางโลกก็จะได้เจนถึงพระเจ้าจ๊กกะพัดตราธิราชพระองค์ก็ไม่เอา ข้าจะเอาเป็นนักบวชไม่มีสมบัติอะไรเ็นของตัวเท่านั้นใจของพระพุทธเจ้านั้นจึงควรกราบไหว้บูชาวันย่างค่ำคืนย่างลุง่งเป็นจิตใจอันเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์และเทวดาอินสมทั้งหลายให้มีความสุขอย่างเดียว พระพุทธเจ้าเกิดมานั้นไม่มีที่จะให้สัก์ทุกเว้นเสียแต่เขาทำเขาเองทุกมันก็ไปสู่เขาเองที่จะเกิดจากพระองค์ไม่มี <c oughs> แต่ว่าคนเราธรรมดาไม่ภาวนาะละกิเลสมันไม่อยู่มันไม่เอาอย่างนั้นเขาด่ามาก็นด่าตอบเขาตีะหารเราเราก็ตอบ ถ้าจะเกิดเขาจะมาฆ่าเราเราก็ฆ่ามันก่อนไปอย่างนั้นแนหะเพรมันจิตอันนั้นมันไม่สงบจิตพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีอย่างนั้นเขาจะมาฆ่าหมดมก็เขาฆ่าเราไม่ได้ฆ่าข้างมนไม่ทุกข์ไม่ร้อน เขาฆ่าให้ตายก็สบายเหมือนกันจะได้เข้าสู่นิพพานมันเล้วรูว่แ ล, ล, ล, ล, ล, ล้วลูรอดไปหมดต้องมากลัวหิวเขาหิวหนำมานั่งภาวนาปวดหลังปวดเอวยากมีเขามาฆ่าให้ตายก็สบายไปอยู่เมืองนิพพานไม่มีใครฆ่าไปอั่จะสบายอยู่ แค่นั้นเราต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอามันจริงเป็นโลกศิกษยาวกของสัพพิเิา้าอย่าไปท้อถอยวันไหนก็ตามคืนไหนก็ตามภาวนาในใจให้มันได้ตลอดเวลาเพือได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าภาวนาบทใดขอด้อใด ลมเข้าไปก็ภาวนามันได้ลมออกมาก็ภาวนามันได้คือความตั้งใจในใจนั่นแหละมันมีอยู่ตลอดเวลาท่านมีสติเตือนจิตเตือ น, อนใจเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้พากันตั้งจิตตั้งใจขึ้นมายาได้มีความทอแท้อ่อนแอในหัวใจ พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วว่าสาวกของเราตถาคต น, นต้องเป็นคนมีความเพียรต้องเป็นคนมีใ จ, ใจิตใจความเพียรความหมัน่นความขยันความอดความทนสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันขยันในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลส ราดได้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ภาวนาเรื่อยไปทำคุณงามความดีเรื่อยไปไม่ได้มุ่งเอาอะไรต่อมีอะไรในโลกนี้อีกเอาภาวนาจิตใจสงบตั้งมั่นจิตใจรู้แจง้งเห็นจริงเรียกว่าคลายที่เละตันหามานะคิถีออกไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุด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 ยานิ่งนอนใจนั่งภาวนาหลักตานึกบริกรรมพุทโธนึกถึงมรณะภนะัยความตายในใจของเราได้ทุกเวลาจนกระทั่งมันเพียงพอทอถอนกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในจิตในใจในกายวาจาจิตนี้สุนออกหมด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 เหมือนถือละน้ำลายที่เราถ่ายออกไปบ้วนน้ำลายไปแล้วไม่ไปเก็บมาปมอีกไม่มาเอามากินอีกี่เลสในสจิตใจของเราทุกคนถ้าเราภาวนาให้ดีแล้วมันก็มีแต่จะเลือกจะละจะถอนออกไปเท่านั้น เมื่อถอนยังไม่ได้ละยังไม่หมดกบเพียนละไปทุกวันคืนเดือนปีไม่ประมาทผลที่สดจิตที่ไม่ประมานนั่นแหละจะเป็นดวงดีวิเศษละกิเลสราค ะ, ะโทสะโมหะในจิตใจให้หมดไปขึ้นไปในกายก็ไม่ให้มีในวาจาก็ไม่พูดในใจก็ไม่คิดคิดแต่ภาวนา ละกิเลสอย่างเดียวผลที่สุดกิเลสที่มันท่วมจิตท่วมใจอยู่มันก็นหงดไปได้พ้นไปได้พระสาเวกในขั้งพุทธการท่านไปสู่สวรรค์นิพพานมากมายเรียว่านับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่ใส่เรื่องเล็กน้อย มากมายถึงกระนั้นก็าตามพวกเราทั้งหลายก็ยังไม่ไปยังไม่ไปพ้นทุกอย่างนั่นอยู่ยังหลงอีกอยู่ดันั้นเราต้องตั้งใจในพุทโธในใจภาวนาจนหลับหลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาฝันร้ายฝันดีไม่เกี่ยวภาวนาพุทโธต่อไป ภาวนามาลานะกรรมฐานในจิตในใจต่อไปเร่งทำความเสียนภายในจิตนั้นไม่ให้จิตใจท้อถอยท้อแท้อ่อนแอในหัวใจมันเกิดท้อถอยใจขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเตือนจิตของตัวเองสอนจิตของเราดุดาให้ พระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่พ่อแท้อ่อนแอทำไมท่านสามารถลาทานท่านก็เป็นเนื้อหนังมนุษย์ได้มาจากพ่องแม่เหมือนเหมือนกันทำไมท่านทำได้จิตเราตัวเรามันคาอะไรจึงเลิกไม่ได้ละไม่ได้จ้องใจมันลุกขึ้นภาวนา ทำความเพียนปฏิบัติบูชาไม่ทอถอยทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยีดียาบมเมื่อตั้งใจประกอบกระทําอยู่อย่างนี้ตลอดเช่นตลอดการเวลามันจะเหลือความเสี่ยนของผู้ปฏิบัติไปได้หรือไม่มีอะไรที่จะเหลือความเพียนไปได้ เรามีความเพียรความหมั่นความขยันอยู่ในดวงใจไม่พ่อแท้อ่อนแอจุดใจดวงโยภายในนั้นก็ย่อมมีกำลังมีความสามารถต า, านานความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวมันหายไปเองความทุกข์ความร้อนใจหายไปเอง เพราะภาวนาธรรมความเีนและกิเลสอยู่เมื่อกีเลสราคะโทสะโมหะทั้งอย่างอย า, อยากอย่างกลางอย่างละเอียดหมดไปสิ้นไปได้เมื่อใดเวลาใดความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมก็ย่อมปรากฏการขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นๆไม่ได้มีใครมายึดยื่นให้ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าโยนให้ไม่ใช่พระธรรมโยนให้ไม่ใช่พระสงฆ์โยนให้มันเป็นการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสในจิตในใจในตัวของเราให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปมุ่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตั้งใจให้มั่นอยู่ตลอดเวลาผลที่สุดจิตก็ย่มสบาย ตายก็สบายจิตก็สบายเมื่อถึงขาวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องเป็นทุกเสนหลอนจนกระทั่งถึงขั้นจะแตกจะตายก็ไม่ต้องเปทุกเสไปหลอนคือไม่ใช่ใจมันตายไม่ใช่จิตเราตายถ้าดินเขาตายถ้าน้ำเขาแตกเขาตายถ้าไฟเขาแตกเขาตายถ้าลมเขาแตกเขาตายทัางหาก จิตมันตายได้ที่ไหนจิตมันเหมือนอากาศเหมือนลมลมและอากาศใครจะไปทำลายได้ดังไฟใส่มันก็ก็มีอยู่อย่างนั้นลมและอากาศใจของเราทุกคนนี่ก็เหมือนกันอย่าไปกลัวมันตายจิตมันไม่ตาย รูปร่างกายนั้นตัางหากมันแตกมันตายอยู่ทนไม่ได้ส่วนจิตใจเมื่อตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ย่อมขยับไปข้างหน้าเรียกว่าเดินหน้าไปเรื่อยๆคือภาวนาไม่ท้อถอยนั่นแหละเมื่อภาวนาไม่ท้อถอยมันก็มีแต่ ยังไม่รู้ก็จะค่อยรู้ไปสิ่งใดยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจไปสิ่งใดยังเลิกยังละไม่ได้แต่ว่ามีความเพียรความหมั่นอยู่ในใจก็จต้องเลิกได้ละได้เลาะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างละองค์ตรัสลู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญา ละกิเลสพร้อมทังว่าชนาหมดแล้วสาวกเจ้าทั้งหลายสมัยก่อนโน้นเมื่อท่านได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังธรรมบิัยสัตตุศาสนาคำสอนของระพุติเจ้าท่านก็นลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาไม่เห็นแก่ความนดเหนืยเมื่อหิว ตั้งใจปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมาลนังเมภาวิทติท่านนึกท่านเจริญได้อยู่ในใจทุกเวลาผลที่สดสิงที่ว่ายากมันก็กลายเป็นง่ายขึ้นมาว่าจิตเราไม่สงบเอาจริงๆมันก็สงบได้มันไม่มีปัญหาอาวั ปัญหามันอยู่ที่จิตเราเป็นคนที่เกียดที่ค้านมักง่ายอยากได้มีแต่ความอยากได้การประกอบกระทำไม่กระทำมันก็ไม่ได้อยู่ดีๆนะั่นแหละาวาใจัยของเราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยเมื่อจิตไม่ท้อถอยแล้ว ก็ย่อมได้ย่อมถึงอยู่ในตัวเหตุดันการปฏิบัติบูชาภาวนาภายในจิตใจของตนนั้นอย่าไปโยนให้คนอื่นทําต้องโยนให้จิตใจของเราทํากายวาจาจิตของเราทําของเราปฏิบัติจนให้รู้ได้เข้าใจในจิตใจของตนนี้ทีเดียว เมื่อเราทำตามปฏิบัติตามก็ย่อมได้รับความต ก, กายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจด้อมย่อมไม่มีดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยกาละณะนี สัพพิโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัตสตุมาเตภวัตวันตลาโยสุขีธีขาอยู่โกปะวะอาภิวาธานาสีริสนิจังุทธาปจายิโนจั ต, ตาโรธรมะวันนีอายุวันโอสุขังภาลัง เวลาวันคืนเดือนปีมันล่วงไปหมดไปสิ้นไป <c oughs> ไม่ใช่ว่าล่วงไปแต่วันคืนเดือนปีที่มันล่วงไปสิ้นไปนั่นคืออายุสังขารของคนเรามันหมดไปสิ้นไปคืนหนึ่งหมดไป ที่เราเห็นว่ามันแจ้งก็มันหมดไปคืนหนึ่งคืนหนึ่งก็1ิบสองชั่วโมงหมดไปแล้วเมื่อมันหมดไปแล้วนะเอาคืนมาไม่ได้ไดทันใดชีวิตของเราที่มันหมดไป1ิบสองชั่วโมงนะ ความแก่ชรามันจำรดทุดทมไปหมดไปชินไปสิสองชั่วโมงเขาคืนมาไม่ได้ให้มองดูชีวิตร่างกายของเราทุกคนนั่นที่มันหมดไปจริงๆก็คือชีวิตของคนเรามันหมดไป ความแก่โุกไล่มาโดยลำดับที่นี้ไม่ใช่วันไล่แต่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไกล่เข้ามาโรคภัยไข้เจ็บอันใดที่ยังไม่เกิดมีขึ้นมันก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะร่างกายสังขาร มันหมดไปสิ้นไปตามวันคืนเดือนปีต้องตั้งจิตเจตนาในใจของตนว่าเราจะภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจโดยเฉพาะคือระลึกถึงความแตกดับทำลายซึ่ง โรู ป, ประขันนาประขันอันที่คนเรายึดว่าตัวเราของเรานี่แหละโรคภายไข้เจ็บก็ไม่ใจ่อื่นกายมันอยู่ในตัวมันอยู่ภายในมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาการนึกถึงมรณะกรร ม, มาฐานคือความตาย ความแก่ความเจ็บไข้ ค, ความพัดราคจากของรักของชอบใจก็จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปมาจนกระทั่งให้บุคคลที่ไม่ภาวนาฝึกขาดจิตใจนั้นจะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้ ท่านจึงให้กำหนดพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นบันทุกท้ายเราต้องมีความตายเป็นที่สดุดหนีไม่พ้นอีกเหมือนกัน อันมาลานะตามาธานเนธพระพุทธเจ้าท่านสั่งท่านตัดไว้ว่าจองนึกใหได้ทุกลมหายใจทั้งเข้าและออกด้วยเมื่อลมเข้าไปโสดลมเข้าไปก็มองเห็นความตายว่ามันจะต้องไปสิ้นุดีใดหนอถ้ามันยังหายใจออกมาได้โย ก็เจอว่ายังมีชีวิตจิตใจอยู่เราต้องตามดูลมหายใจเข้าออกให้ใจของเราผ่องใสสะอาดไม่ต้องคุนโมโดยเรื่องราวอารมณ์ใดๆทั้งนั้นถ้านึกถึงคุณพระพุท ธ, ธเจ้าคำว่าพุโทโธ ก็ให้นึกพร้อมกับลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาเพื่อเป็นที่สังเกตครับลมหายใจลมหายใจที่มันออกมันเข้าอยู่นี่มันก็นดับไปสิ้นไปมันหมดไปเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นชณะอยู่ โูภาวานาจงแข่งแรงใหเห็นว่าทุกคนที่เกิดมาให้มีแต่ความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลยจึงต้องภาวานาพิจารณาให้เข้าใจในจิตใจของตนเองไม่ต้องแสบสายล่มหลงไปในที่ต่งาง แต่พระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าก็ตรัสก็สอนไว้อย่างนั้นแต่จิตใจปุทุชนคนเราเรียกว่ามันฝืนธรรมดาไม่ได้ดูสภาพธรรมดามันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนฟองน้ำที่มันเ็นฟองขึ้นมาแล้วก็ดับไปปะเดียวเดียวเท่านั้น ชีวิตที่เราเกิดมาในโลกนี้มันก็หมดไปสิ้นไปมีแต่ความเฉื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาหน้าที่ของเราผู้ภาวนาก็สร้างใจให้สงบประงับอาเดก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึง สิ่งใดไม่มาถึงสิ่งนั้นก็อยากไปเป็นทุกข์เป็นร้อนทำจิตทำใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราทำใจให้ผ่องใสสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาบทเรียก ว, ว่าทุกลมหายใจเข้าออก ตั้งใจของตนอยู่ทุกขณะทุกเวลาเชื่อว่าเราภาวนาอยู่ตลอดกาลลมเข้าไปก็ภาวนาลมเข้าไปนั่นแหละลมออกมาก็ภาวนาลมออกมานั่นแหละแล้วว่าดูความเสื่อมไปสิ้นไปแห่งลมธาตุลมธาตุดินธาตุน้านําธาตุไฟธาตุลม อันสมมติว่าเป็นตัวเราของเราเนี่แหละจนเห็นแจ้งว่าธาตุดินน้ำไายลมมันเป็นธาตุมันไม่ได้ว่ามันเป็นของใครของเราตัวเราอันนี้เป็นความอารมณ์หลงเยีดมัน่นถึงมันเอาสังหากธาตุสภาพของมันแล้วดินมันไม่ได้ว่าเป็นของใคร น้ำมันไม่ได้ว่ามันเป็นของใครไฟลมไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่จิตใจไม่สงบไม่แจ้งนะภายในมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเราเวลาลูปน้ำกายใจอันี้แตกดับไปจิตใจมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนก็วนก็วาย นั่นคือความไม่ได้กำหนดพิจารณาให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจของตัวเองต่อไปให้เหล่านึกเจริญให้ได้ภายในดวงจิตดวงใจไม่ให้ความทุกข์ความเดือดร้อนอันประกอบด้วยความยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของกองเรานี่อยู่ ้องให้รู้จักปล่อยวางเลิกละออกไปให้ใจขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวผ้าใหม่ซื้อมาใหม่เป็นผ้าใหม่เยิอมขาวสะอาดไม่มีอะไรเปื้อนเปะเลอะเทอะจิตใจของพระพุทธพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายทันล้างทันทำสะอาดอยู่ตลอดเวลา อะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปท่านก็รู้ว่านี่แหละอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดใครจะไปบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั่นเลยอย่าเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ได้ฟังเสียงเพราะสึ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขา เป็นธาตุโลกธรรมดาอยู่ในโลกนังอย่างนี้เองแน่นั้นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวานานั้นไม่ว่าเรานั่งเรายืนเราเดินเราไปมาที่ไหนก็าตามตาดูหูฟังก็ต้องฝาฟนาไปทุกอย่างทุกประการ จนจิตใจของเรารู้จักรู้แจง้งรู้จริงอยู่ในจิตในใจของตัวเองเท่านั้นจึงจัดว่าเป็นภาวนาที่ถูกต้องการทำนอกของธรรมเนี่ยเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังได้ <c oughs> ก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาติดต่อนอนเนื่องกันไปโดยลำดับ ดังสแสดงมาก็ส้มควรด้วยกาละเอลาเอวังก็มีด้วยกกาละเจนีสัพชิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลคโคหินัจโตมาเตภวัทตวันตรยโยสุขิติายุโกาวะพิวาธนาสีดิจนิจังวุ ธ, ธาปัจจายิโน จตารโธรรมวาทันติอายุวันโอจคขังสาลังตอนนี้ไปเห็นเวลานั่นงสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้การ น, นั่งขัดสมาเทศเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาถึงคุณประพพระธรรมพระสงค์ว่าเวลานี้เราตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้รวมจิตใจของตนเข้ามาภายใน จะมีเรื่องฝุ่งสารลำกานอันใดอยู่ในใจเว ล, ลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้เลิกละอดปล่อยอารมณ์ในใจที่มันค้างอยู่นั่นให้ออกไปหมดไปเอาใจน้อมลิกละลึกถึงคุณประพุติยาวคณพระธรรมคณปรสงญ์รัตนทั้งสามนี่แหละเป็น ที่พึ่งของเราทุกๆคนละะนัตนาทางังสามนี้เป็นแกนแก้วแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสโลในโลกเทียก่อนจึงมีพระธรรมนไนไตน แต่บัดนี้องค์ของท่านก็ล่วงลับดับไปโสนิพานแล้วหรือแต่พระธรรมวินัยที่เป็นปริยัติธรรมสั้งไว้ตอหน้าเราท่านทั้งหลายนี้ให้เชื่อว่าโตพระไตรปิดกทำแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เพื่อให้เราศึกษา เ้าเรียนจดจำอ่านแล้วจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ก็ไม่สายเกินไปแต่ว่าการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ให้หนังสือปฏิบัติคือว่าผู้ปฏิบัติหมายถึงคนเราตัวเราทุกๆคนนี่เอง ตั้งใจนึกน้อมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคุณคือว่าคณประพุติเจ้ามีพุทธโธโดยย่อย่นย่อเข้ามาให้ใจเรานึกน้อมถึงพระพุติเจ้าพุทธโธในดวงจิตดวงใจให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาส ง, งบเข้ามาว่าดวงใจของเราทุกคนนั่น เียโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สดรดทธคือตัวเรานี่เองภายในร่างกายอันนีมนดวงจิตวิญญาณโยในตัวนี้คนละดวงละดวงสิ่งนั้นคือว่าจิตใจดวงผู้รู้โยจิตใจดวงผู้รู้โยนี้เรียกว่าเป็นธาตุนามธรรม มนมธทรมนี่ไม่มีโลกล่างสีสันฐานเป็นดวงจิตดวงใจคลองอยู่ในร่างกายของคนเราไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมีจิตใจดวงนี้คลองอยู่พาให้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปมาได้ในที่ทั้งปัว <c oughs> อาศัยดวงจิตดวงใจผู้รู้อันนี้เองพาให้เป็นไปเมื่อถึงเวลาภาวนาขอให้จิตใจดวงนี้รำลึกอยู่ในคำว่าพุทธะคือพระพุทธเจ้า แม้ท่านจะล่วงลับดับขันไปแล้วก็ตามคุณนธรรมคุณงามความดีของท่านที่ได้ประกอบกรรทาไว้ยังมีอยู่ในโลกในพุทธศาสนาจึงจำเป็นต้องภาวนาทําใจของเราให้สงบระงับจึงจะเข้าใจในการปฏิบัตินี้เจตใจของเรานั้น จงสังเกตอยู่ในร่างกายสังขารของเหล่านี้แห่งเดียวไม่ต้องไปคิดว่ามันอยู่ที่โน้นที่นี้ตายคือรูปร่างกายเรานั่งที่ไหนก็มีความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ในที่นั่นนั่นแหละคือดวงใจดวงจิต ด, ดวงใจนี้ไม่มีผู้ใดจะมาปั้นปองแต่งเอาให้เกิดใน้นื้อขึ้น ดวงใจอันนี้มีมาตั้งแต่อนเนกชาต์นับพบนับชาติไม่ทวนแล้วดวงใจอันนี้มีกิเลสความโกรธมีกิเลสความโลภมีกิเลสความหลงโยภายในดวงใจอันนี้ กราบใดใจดวงนี้ยังมีกิเลสสามกองนิโยก็มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ในโลกในวัฏสงสารอย่างนี้แหละก็จิตอันนี้มาสำคัญผิดคิดว่าในโลกนี้มีความสุขความสบายโยจิตอยากได้ความสุขอันเป็นสุขไม่มั่นคงถาวร เป็นสุขอันเรียกว่าเจือด้วยทุกข์มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนับตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ความทุกข์นั้นก็ได้แก่ทุกข์เพราะตาเห็นลูกทุกข์ทุกข์เพราะหูได้ฟังเสียงทุกข์เพราะจะมูกดมกลิ่นลิ่นลิ่นลดกายถูกต้องโอัตภะใจคิดธรอารมณ์ เมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นในเรื่องราวอาญตนะท้งหลายพระพุทธเจ้าทันเก่งให้รวมให้สงบเข้าไปโยภายในเอามาโนธาตุมโนธรรมคือจิตใจดวงผูโรโยในตัวในใจเราเนี่แหละภาวนารำลึกถึงคนพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้านั้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่ ในเมื่อเวลาพระองค์ยังมีชีวิตชีวาอยู่ในโลกนี้ชื่อว่าเป็นศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่ามนุษย์โลกเทวโลกพร ม, มโลกขึ้นชื่อว่าโลกใดในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่คือพระองค์ ใหญ่สูงกว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่มาย่ํมเยี่ยจิตใจของท่านท่านภาวนาดีเด่นจนหลุดพ้นออกจากกิเลสเหล่านี้คนเราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนั้นกิเลสความโกรธมันครอบงำอยู่ กิเลสความโลภความอยากความปรารถนาในอารมณ์ต่างๆมันยังมีอยู่กิเลสความหลงหลงกายหลงใจหลงกิเลสราคะโทสะโมหะยังสงคัญผดคิดว่ามันดีมันสบายพอใจอยู่ในเรื่องเหล่านี้ เวลาภาวานาท่านจึงให้เลิกออกไปละออกไปปล่อยออกไปถอนออกไปจาโกสละมันออกไปให้ได้ปฏินิตโกปล่อยให้มันออกไปมุติเอาจนหลดจนพ้นได้เมื่อใดเวลาใดอนาลายโย คือไม่สร่องเสียดายตายอยากกิเลสความโตรธโลกหลงเี่จงพยายามเลิกละออกไปแม้จะละไม่ได้ทีเดียวก็เพียงละไปทีละน้อยละน้อยได้แก่ว่าเราต้องภาวนาพุทโธในใจให้ได้กทุกลมหายใจเข้าออก นั่งโยก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจทาโมสังโฆ อ, อยู่ในจิตในใจไม่ให้จิตใจลุล่วไหลไปที่อื่นเมื่อใจของผู้ใดมีความสงบระงับตั้งมั่นโยภายในตัวภายในใจของตนแล้ว จนจิตใจนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเมื่อใจคนเราเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้ย่อมมีใจสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพรา<ด><ด>ะว่าความสงบนั้นท่านว่าเป็นสุขไม่เนี่ความสุขใดในโลกนี้จะมีความสุขเท่ากับความสงบความสงบนั้นแหละเป็นความสุข เมื่อใจผู้ใดยังดิ้นลนวุ่นวายกษสับกระสายโยมันก็เป็นทุกข์ตลอดกาลถ้ามาภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกได้ดีแล้วจิตใจก็จะเย็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในแม้กิแลสในใจจะมีมยู่ก็ตาม เราไม่ต้องไปเชื่อไปเลื่อมใสกับกิเลสที่เคยเป็นมาแล้วให้เห็นว่าอะไรอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ความเกิดก็เป็นของเก่าฮัลและเกิดมาแล้วความแก่ชรามันก็เป็นของเก่าแก่อยู่อย่างนี้แหละ